บางรำเป็นและนี่เรามาศึกษามาปฏิบัติธรรมเราจัดสันเวลามาเพื่อาการนี้ก็ต้องให้มีส่วนประกอบหลายๆอยา่างมีศรัทธาความเชื่อทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่ว เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งอีกแล้วก็มีความเพียรสติมันจะเกิดเพราะการประกอบความเพียรเป็นส่วนที่ทําให้สติมันเกิดขึ้นมาเพื่อพยายามใส่ใจที่รู้เวลามันหลงเพียรพยายามที่จะ เปลหลงให้เป็นรู้เลือกประกอบเรื่องความเพียรหรื่องศรัทธาให้เป็นงานเฉพาะใส่ใจเฉพาะขยันรู้เอาไว้ตั้งไว้เพื่อจะเปลี่ยนความไม่รู้ให้เป็นความรู้ให้มีความพร้อม ถ้าไม่มีความพร้อมมันก็เก้อเขินอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีความพ้อมมันไม่ไม่ทันเวลาประคองตั้งกิตไว้เพื่อจะละอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีกนี่คือความเทียน ให้ศัทธาเลือกพละศัทธาพละกำลังอันหนึ่งวิยะพละความภาคเพียนกำลังที่สองเสริมเข้าไปสติพละให้ความเพี้ยนอันที่สามเสริมเข้าไปสมาธิพละให้มั่นคงเสริมเข้าไปอย่าหวั่นไหวแล้วก็จะถึงปัญญาพละ สำเร็จตามความดีได้สำเร็จแล้วความชั่วได้สำเร็จถ้าเกิดมีความสำเร็จเกิดขึ้นได้ยิว่าปัญญาถึงปัญญาจากปัญหาก็เป็นปัญญาขั้งสุดท้ายทเรามีสติอยู่แน่มันก็เป็นเหตุเมื่อเหตุเป็นดี มันก็มีผลดีถึงปัญญาเป็นอริยทรัพย์ภายในของเรามันไม่สูญเสียไปไหนประกอบสติก็ต้องมีสติจนมันชำนาญเวลามันหลงถ้ามันชำนาญแล้วไม่ได้ทำอะไรเมื่อมีความหลงก็มีสติทันที สลบหลงอยู่ที่ดยสติอยู่ที่นั่นมันเป็นไปแล้วแล้วหัดให้มันเป็นไม่ว่าอะไรถ้าหัดให้เป็นมันก็เป็นไปเลยไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปลําดับเีวยกว่ามันเป็นมื่อเป็นผลเป็นเมื่อเป็นผลแล้วไม่มีเป็นโทษเป็นภยัยสลบหลงก็ละได้แล้ว คมทุกข์กุลอดเลยแล้วควากอดก็รอดเลยแล้วเป็นมื่อเป็นผลในชีวิตเราเราจะเป็นความเย็นก็เย็นแล้วไม่ร้อนแล้วดับได้แล้วอกุศลเที่ยงไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นแล้วกุศลเดินที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นแล้วอันนี้เรียกว่าชนะชัยชนะ เราเราก็มาสวดถวายผลพระการเอาพรธเจ้าชนะมารทั้งหลายเหลดมารขันธามารพยา ม, มารมั จ, จุมารเทพบุตรมารสังขารมารที่มันเกิดขึ้นตลอดถึงอะไรต่างๆช้างนาฬาชิลิงนันจิจมานิกา ที่โจกันพระพุทธเจ้าก็เอาชนะด้วยหลักธรรมมีเมตตากุณาไว้เป็นเพื่อนฐานมีใจหนักแน่นไว้มีสติไว้ไม่หวนไหวเลยง่ายๆคนมีสติย่อมไม่หวนไหวไม่ภูไม่แ พ, พรไม่ด่วนรับไม่ด่วนไปเจฉแล้วหาดไปแล้ว เราฝึกหัดไปแล้วเราทําเป็นแล้วอันนี้ก็เกิดจากการหัดการฝึกการฝึกหัดไม่ว่าเราฝึกอะไรก็เป็นอันนั้นหัดงานฝึกงานอันใดก็เป็นงานเรื่องนั้นเป็นจีฬาเรื่องนั้นเป็นจีฬาในความชำนาญในความรู้เป็นปริญญาชํานาญในความรู้กําหนดรู้โดยความรู้ กำหนดรู้ด้วยความละนี่ว่าปริญญาของชีวิตชำนาญในการใช้ชีวิตหนาสการเคยเจเจ็บตายมันเป็นความชำนาญการเิดเจเจ็บตายมันเป็นภัยมันเป็นโทษผู้ที่ศึกษาผู้ที่มีความชนาญก็พ้นโทษ อย่างเราหัดว่า ม, มันหลงก็รู้อะไรที่มันหลงทั้งหลายทั้งหลายนั่นแหะมันรู้มันชํนานาญจนไม่มีอะไรที่จะทําให้หลงมันก็เลยชํนานาญในความรู้เพราะมันหัดเป็นแต่กว่ามันชํนานาญในความหลงง่ายที่จะหลงต่อเราหัดไปหัดไปก็ง่ายที่จะรู้ มันเป็นไปมันเป็นไปได้ชีวิตของเราเนี่ยมันหาได้ฝึกได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้จึงอย่าประมาทเล็กแต่น้อยก็ทำไปก่อนลูกไปก่อนช่วยโอกาสไปก่อนไม่ใช่หาโอกาสการฝึกตนสนตนไม่ใช่หาโอกาสเป็นการกระทาลงไปเล่นรวมดีนิดหน่อยก็ยัง มันก็ดีได้เหมือนน้าหยดที่เรหยดสูตุมอง์ก็เต็มไปด้วยน้ำฉันได้ความดีแม่เล็กน้อ ก, ก็อย่าประมาทความชั่วไม่เล็กน้อ ก, ก็อย่าประมาทก็เหมือนกับน้ำหยดลงใส่ตุมหยดไปหวา่ก็เต็มตุ่มน้อยเช่นกนันความชั่วก็เหมือนกันความดีก็เหมือนกันแล้วก็มีเท่านี้ มีกุศลก็ควรทมต่อไปมีอกุศลควรละไว้เสมอมันก็เกิดขึ้นที่เราเนี่ยหลงเป็นอกุศลรูปเป็นกุศลเริ่มต้นตรงนี้เป็นกําเนิดเป็นสิ่งที่ทําให้เป็นกําเนิดเกิดขึ้นในสิ่งที่ถูกต้องเราก็เดินทางในกุศลอกุศล กุศลเรามีสติดีแต่กุศลเราไม่ได้หลงไปกับความทุกข์ที่เป็นทั่วเป็นภัยมันก็ตามเอาไปดังกายก็ไม่ได้ทำชั่ววาจาก็ไม่พูดชั่วจิตใจก็ไม่ได้คิดชั่วนะที่จะทำชั่วที่เกิดขึ้นจากกายจากวาจาจากกิจก็ไม่มี มาหลายวันแล้วหาสิ่งที่จะไม่กันเป็นทุกข์เป็นโทษไม่มีกุศลที่มันมากเต็มขึ้นอย่างนี้มันก็จะมีธรรมชาติกฎธรรมชาติเหมือนหลวงปู่เทียนท่านท่านเล่าเรื่องอารมณ์กรรมฐานให้ฟังไม่ทำบาปด้วยกายก็ทำแล้ว ไม่ทำบาปดว้วยไหวจาก็ทำได้แล้วไม่ทำบาปด้วยใจก็ทำได้แล้วรั้งกายทาัย้งไหวจ่าทั้งใจไม่เคยทำบาปทำกรรมมันเหลืออะไรอีกมันเหลืออะไรอีกถ้าไม่ทำบาปทั้งกายวิยจกรรมไม่จีกรมมกรมมโนกรรมมันเหลืออะไรอีกนั้นก็บริสุทเพื่อความบริสุทธิ์นี่เกิดขึ้น เหมือนกับว่าเชือกมันขาดเชือกมันขาดก็งดไปสูอันเดิม เ, เช่นเชือกส้่หนังผูกอันหนึ่งไว้เชือกส้นหนังผูกอันหนึ่งไว้ก็ดีมันขาดมันงดตัวไปประจำที่เดิมแต่มันก็เป็นเชือกอยู่แต่มันใช่ไม่ได้ เมื่อเจอมัดตัวมันเป็นเชือกมันก็ใชื่มัดได้เวลาจะมัดอะไรมันก็ขาดเอามาใชื่ลองดูมันเชื่อมเป็นอกุศลทางกายอกุศลทางวาจาอกุศลทางจิตมันใชื่อม่ได้มาให้มันรักมันก็ใชื่มไปได้มาให้มันโกรธมันก็เชื่มไได้มาใชื่เป็นสุขมัน ใ, ใชื่อมไได้มาใชื่เป็นทุกข์มันใชื่มไได้ มันใช่อะไรที่มันเคยใช่มันใช่ไม่ได้มันหดตัวเวลาจะใช่มันหดมันหดไปมันไม่ให้ใช่จิ่งนี้น่ารักั้มันก็ใช่ไม่ได้ใช่ให้เป็นความรักให้เป็นความรักไม่ได้ใช่เป็นความโกรธให้เป็นความโกรธไม่ได้ใช่เป็นความทุกข์ใช้เป็นความทุกข์ไม่ได้มันใช่ไม่ได้แต่ก่อมันใช่ได้ มันติดเปรียบมาเหมือนกับน็อตมันลูดเกลียวมันลูดมันหมุนไม่ติดเหมือนเกลียวสกูน็อตที่มันลื่นที่มันหวานแล้วมันหมุนไม่ติดมันขันไม่อยู่ขันไปเท่าไหร่ก็ไม่ดดไม่มัด ความโกรธเข้ไม่ได้ความทุกข์เข้ไม่ได้อะไรที่มันเป็นความทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายแม้มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันก็ไม่มีมีแต่ทุกข์ตัวนั้นบมดไปมีแต่ทุกข์ตัวนั้นต้งอยู่หา อ, อะไรอีกไม่มีแล้วเหมืนมอนเคยมีร้อนก็มีหนาวถ้าไม่มีหนาวก็มีร้อนเกิดขึ้นถ้าไม่มีร้อนก็มีหนาวเกิดขึ้น ในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มันเลยไม่มีอะไรมันใช่ไม่ได้จะใช่แล้วให่เกียดชงังใช่โกรธให้ดีใจเสียใจให้มีรถมีชาติในรถของโลกมันไม่มีแล้วมันจืดไปแล้วเป็นอิฉลัเต็มไปด้วยเมตตากาุณา มีเงินมีทองเป็นเท่าไหร่ก็ซื้อม่ได้เกิดจากการกระทําเมื่อลําดับดูมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากนี่มันมาอยา่างนี้มาอย่างนี้ก็เลยเป็นวิชากรรมฐานจึงพระพุทธเจ้าได้วางสูตรเอาไว้เมื่อมาทําดูมันก็เป็นอยาน่างนี้เป็นทางอันเดียว ไปสู่ที่เดียวเดินคนเดียวถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันมันเป็นอันเดียวกันชีวิตของสัตว์โลกมันมาตรงนี้กันเดียวกันถึงที่เดียวกันเช่นเราไม่สติพระพุทธเจ้าก็อยู่เฉพาะหน้าเรานี่แล้วถ้าเราหลงพระพุทธเจ้าก็มันบีแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมด เห็นกายก็เห็นกายเหมือนกันมีเหมือนกันสิ่งที่เกิดเกิดกายก็เหมือนกันเห็นสุขเนทุกข์เกิดกับกายก็เหมือนกันวันที่ออกลา ย, ยไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อเราศึกษาแล้วมันก็ไม่ใช่สุขเลยทุกข์เห็นที่เป็นเวทนาที่เรียกว่าสุขว่าทุกข์มันก็ไม่ใช่สุขเลยทุกข์จ ท, ที่เหมือนคิดเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่สุข ท, ท, ท, ทุกข์ ตอนที่มันเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์กขุศลอกุศลก็ไม่เป็นไปตามที่มันเป็นตามเหตุตามปัจจัยมันจบไปแล้วมันเป็นปกติคืนสภาพนั้งเป็นขันธ์หน้าที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณรูปกว่ามีอะไรที่เกิดกับรูป สัญญาก็มีอะไรที่เกิดเป็นสัญญาหน้าที่ของรูปกับทหน้าที่ของรูปสัญญาทํหน้าที่ของสัญญาให้เป็นงานเป็นการของเขาสงขารวิญญาณเหมือนเป็นความขยันของขันธ์หน้าเราดีมว่วมันไปศึกษาดูแล้วมีเจตสติอะไรก็มีเจตสติไม่ให้เป็นลสเป็นชาติมัน ก, ก็จืด เหมือนกับคนหน้าคนแต่ก่อนทำงานเพื่อสร้างหน้าที่ของลูกทำงานหน้าที่ของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอเรามาดูไปดูไปมันหยุดเหมือนกับคนห้าคนนี้เหมือนหยุ ด, ยดหยุดทำงานวางสิ่งหวางของหวางเครื่องมือเข้าไปสู่ที่เดิมสู่สภาพเดิม เวทนาลูกก็สักว่าลูกเวทนาสักวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหยุดก็สังขารเหมือนนายช่างปั้นหม้อก็หยุดปัน้นวิญญาณคือมันไปติดอะไรมามันก็ไม่ติดเหมือนเนื้อผ้าที่มันดีมันย่อมไม่ติดก็มันพัฒนาไปมันก็ มีมาตะฐานมากขึ้นนายช่างปั้นหม้อปั้นหม้อขึ้นมาปั้นเท่าไหร่ก็แตกปั้นเท่าไหร่ก็แตกแต่เป็นหม้อลูกเด็กลูกใหญ่ลูกสวยลูกไม่สวยปั้นขึ้นแล้วแตกทั้งนั้นจึงได้เป็นผิดผลของสังขารมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนนั้นหลอกเป็นได้ เห็นแช้งไหนขันหน้าหยุดเมื่อมันมีขันตัวนี้มันก็มีมพบมีชาติเวทนาสัญญาสังขารดับอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ใกล้ไปลินิพานมีพระอนุรุทธะเป็นผู้ชำนาญในเรื่องนี้พระเจ้าก็สอนอยู่ พีว่ว่าเวลายดทยี่ใโลดฌานที่สี่ฌานที่ห้าเนีว่าสัญญาณสัญญายตนะเนีว่าสัญญาญาณสัญญาสัญญาไม่มีไม่มีทวไมเจ็บก็มีความเจ็บไม่มีสัญญาในความเจ็บไม่มีสัญญาในความทุกข์ มันไม่เห็นตรงไหนที่เป็นความทุกข์เพราความเจ็บความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ในว่าสัญญาานะสัญญามันไม่มีมันจืดไปแล้วมันเลยอยู่เหนือการเกิดเจ็เจ็บตายอันนี้มันเป็นไปจำลองนี้หรือว่าทาให้มันเป็นผลจากการปฏิบัติธรรมมันเป็นทางไปแบบนี้ เริ่มต้นจากการยานุปจนาสติปัฏฐานเห็นกายเห็นเวชนาเห็นจิตเห็นธรรมมันเป็นสู่ทั้งหมดเรื่อทั้งหมดของชีวิตใครก็ตามมีกายมีเวชนามีจิตมีธรรมมันจานาญอะไรที่เป็นเรื่องของกายมันบอกเห็นเป็นรูปเป็นรูปว่าธรรมเมื่อเห็นเป็นรูปว่าธรรมมันแต่ฉาน ถ้เห็นเป็นกายมันจนเห็นเป็นใจมันก็จนถ้าเห็นเป็นกายมันมีตัวมีตนอยู่กับกายเป็นผู้เป็นชาติอยู่ตรงนี้ถ้าเห็นกายสภาวะกายมันก็จบไปไอเวชนาก็เป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์เปของเราร้อนหนาวคือเราหิวคือเรา อะไรคือตัวคือตนเมื่อเห็นแข้งไปเห็นเป็นรูปมันเลยไม่เป็นตัวเป็นตนอยู่ในกายไม่เป็นตัวเป็นตนอยู่ในเวทนาไม่เป็นตัวเป็นต้นอยู่ในจิตไม่เป็นตัวเป็นต้นอยู่ในธรรมมันก็บอกมันก็บอกของเท็จความจริงมันบอกผมหลงไม่จริง ความไม่หลงมันจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงความโกรธมันไม่จริงความไม่โกรธมันจริงเดิมเทศความจริงมันบอกรูปมันบอกนามมันบอกนอกจากมันบอกแล้วก็บอกทั้งวัตถุอาการสมมติมันหยัดรูปก็เป็นวัตถุอันหนึ่ง น้ำก็เป็นวัตถุอันหนึ่งรูปเหมือนคล้องเขียนอยู่นั่นแ่ะแต่เมื่อมีการสัมบัติเอาข้อไปตีมันดังขึ้นมาเสียงค้างของคล้องหรือว่าจิตสิกไม่ใช่คล้องมันดังมันเป็นเหตุที่ทำให้มันเกิดเสียงขึ้นมา ในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณที่มันเป็นขันธ์ห้ามันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับจิตของเรานี่มันมีสัญญามันมีรูปมันมีนาในจิตของเราเนี่ยเหมือนกับไม้ที่ตั้งอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมันเป็นไม้เวลามีเสียงอะไรกระทบกดดังขึ้นมานั้นมี วัตถุอาการจิตใจของเราก็เป็นวัตถุ อ, อันการอันหนึ่งมันใกล้อะไรมันก็เก็บสิ่งนั้นไว้เวลานอนเราไม่ใช่มันเลยเก็บเอาไปเป็นความฝันต่อไปต่อไปล้วเราไม่หัดมันก็เจ็บโอทุกอย่างเจ็บเสียงทุกอย่างอะไรใกล้มันก็เจ็บเอาเจ็บเอา เอามันขยันติดกลางวันมันติดอะไรมามก็เก็บไว้เก็บไว้เหมือนวิญญาณจิตนี่มันก็มีวิญญาณไอ้วันเจ็บเอาไว้นั่นแหละไปเจ็บไปย่อมไปติดไปชิงใดมา้ความสุขความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงความรักความเกียจชงังความพอใจความไม่พอใจนั้นติดอยู่อย่างนั้นนั้นเป็นสมมุติมันเป็นมันหยาด ไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นเคยบอกว่าผมหลงมันไม่จริงผมไม่หลงมันจริงมันก็เป็นสมมุติปัญญะปัลลัมมัติ์ผมโกรธเป็นสมมุติผมไม่โกรธเป็นปันลลมัตต์มีอยู่แต่เดิมเจ้<ม>นจิตของเราเนี่ยมันมีแต่เดิมบริสุทธิ์เวลาม่ความรักเกิดขึ้น มันมีสิ่งที่จรตาเวลาความโกรธเกิดขึ้นความโกรธมันจรมาเราไม่รู้เราไปเจ็บไปพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าเวลามันหลงรู้หมัอนกับไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บเอาความหลงไม่เจ็บเอาความสุขไม่เจ็บเอาความทุกเวลามันหลงรู้เวลามันสุครูเวลามันทุกรูมันไม่เป็นเผยเป็น ถ้ให้หลงเป็นหลงมันเป็นแผลเป็นโกรธเป็นโกรธมันเป็นแผลเป็นทุกข์เป็นทุกข์มันเป็นแผลเป็นนี่ยร้อยแผลในชีวิตเราร้อยความรักร้อยความโกรธลอยความได้หรือความเสียร้อยความเผิดลอยความถูกมันเป็นแผลเป็นในชีวิตเรามันติดมา การมาเจริญสติมันเหมือนมารักษาเหมือนนวดมือสองมันถูกชนมามีรอยบุบรอยช้ำรอยปูดมีสติมันซ่อมมันหลงซ่อมให้มันรู้มันทุกซ่อมให้มันรู้มันซ่อมได้ให้มันดีนี่ว่าฟิตใหม่เข้าอู่ใหม่เข้าคลอดใหม่ เมื่อจะเอาไปใช้ให้มันใช้ได้ได้กายก็ใช่ไม่เกิดทุกข์เกิดโทษใช่อจาะก็ไม่ให้เกิดทุกข์เกิดโทษใช่จิตก็ไม่เกิดทุกข์เกิดโทษจนถึงเราชํานาญละกายเวทนาจิตธรรมมันทั้งหมดของชีวิตแล้วจึงมีงานแบบนี้ ให้มันจำนานในการกีฬาเป็นการช่างเป็นยายช่างซ่อมที่มันเสียให้เหม็นของดีเปลี่ยนร้ายเป็นดีหรือ ว, ว่าปฏิบัติธรรมเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์หรือ ว, ว่าปฏิบัติธรรมเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธหรือ ว, ว่าปฏิบัติธรรมอันตายก็พูดแบบ ภาษาธรรมมันชือพูดในะคิดพูดให้เป็นเห็นนะส้มมันหลงซ่อมให้มันรู้มันนี่ไม่มีแผลเป็นถ้าหลงเป็นหลงไม่แผลเป็นนี่คือชีวิตของมนุษย์มันประเสริฐจากนี้ให้มันดีการไม่มีแผลเป็นนในชีวิตของเราเนี่ยก็รู้ว่าผมไม่จริ์ เป็นภร ม, มจัน์บริสุดโบริโวนสิ้นเชิงมันมีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมันใช่ม่จะลอยแผลแผลในใจหลายปีเลยเอามาเป็นเก็บปวดเพราะมีแผลมีลอยเพราะไม่ได้เคยซ่อมไม่มีสติไปเห็นเข้าไปรู้รู้แล้วไม่มีสุขก็รู้แล้ว ทูกลู่แล้วความโกรธความโรคความหลงลู้แล้วอันเดียวเท่านั้นแหละความโกรธก่อนเดียวความหลงก่อนเดียวความทุกข์ก่อนเดียวความรล้ความเกียจชังก็อันเดียวไม่มีพันเด่นเหมือนโลกไขวัดพันใหม่ไม่มีแบบนั้นมีอันเก่าอยู่ที่ไหนก็เป็นนี่โลกอันนี้เป็นรสชาติของโลก ถ้าเกิดมาก็เป็นอย่างนี้มีลูกทํามีนามทำแล้วก็มีเท่านี้เป็นอันเดียวกันว่าทำจึงเป็นอย่างนี้ตัดไม่ดีอย่างนี้ถ้าทุกเป็นทุกก็มีทุกไม่เป็นทุกก็มีแต่ทำอย่างไงก็แล้วแต่เราจะศึกษาเรื่องนี้ถ้าทุกเป็นทุกก็เสียชาติ โผล่เป็นโกรก็เสียชาติหลงเป็นหลงก็เสียชาตินั่นมันโจกไปมันไม่ไม่เสียชาติชีวิตหลวเพื่อก่อนนี้ไม่ใช่เกิดมาเพื่อเพื่อมีปัญหาให้เกิดมามีปัญญาถ้าเป็นลาคาชิเย็นแล้วโทโสชิเย็นแล้วโมหิชิเย็นแล้วมันเย็นแล้ว ชีวิตมันเย็นแล้วไม่มีพิษมีภัยต่อตัวเองแล้วไม่มีพิษมีภัยต่อคนอื่นแล้วมันก็ไปเหมาะเจริญการงานแล้วไปเป็นผัวเป็นเมียกันก็เย็นแล้วเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเย็นแล้วมันก็มีสวรรค์นี้ฐานอยู่บนดินนี้อยู่บนโลกนี้อย่าไปรอทังวันตายอ่ะ เพราะนิพานไม่ใช่ตายนิพานคือหมดพิษแล้วหมดโทษแล้วเย็นแล้วอย่างนียนั้นอยู่ที่ชีวิตเราเนี่ยเราจะมาฝึกตนสอนตนฝึกตนสอนตนเตือนตนสนุกละ ไม่มีอะไรสนุกโท่กับการมาสอนตัวหลาเห็นความหลงมันลึกซึ้งเห็นความไม่หลงมันลึกซึ้งเห็นความทุกข์มันลึกซึ้งเห็นความไม่ทุกข์มลึกซึ้งไม่ใช่ลึกลับศาสนานี้ไม่ใช่ศสนาลึกลับเป็นศาสนาแห่งความลึกซึ้งสัมผัสได้เลยปิกมือขึ้นรู้สึกตัวได้เลย เนลามันหลงรู้สึกตัวได้เลยลึกซึ้งแบบนี้ปฏิปปาได้แบบนี้มันน่าจะขยันแม้มันมีความม่วงเกิดขึ้นก็อย่าถือว่ามีปัญหามันเป็นปัญญาตัวนั้นด้วยมันไม่มากมันไม่ยากอะไรถ้ามีความมุวง เกิดขึ้นก็มองไปไกลๆเอาออกไปก่อนอย่ามาคุมเกินไปถ้าคุมอะไรเกินไปมันไม่ค่อยจะได้ผลนั้นเราขีดหยาค่อยๆค่อยๆบีบออกค่อยๆขีดออกปล่อยเบา ให้มันสมควรตามกำลังเหมือ น, นบีบขนมกีนขนมเส้นมันมีรูเผียนบีบสมเสมอมันจึงเป็นเส้นสวยงามถ้าบีบผุดปุดผัดผัดก็เสน้สนสนัสน้สนๆไม่สวยลวมเพียนถ้ารีดเกินไปก็เสียหายแตกก็ใไม่เครียดทำให้เบื่อนาย ฉีดลาบแต่ไม่เป็นก็ฉีดลาบได้เหมือนพระโสูนะนิจธารากเมื่อทำความเพียรกระยันเดินจงกรมจนฝ่าเท่าแตกเอาข้างเดินข้างก็แตกเอาส้นเดินส้นก็แตกเอาปลายเท่าเดินย่องไปไปลายเท่าก็แตกแตกหมด เดินจงกรมไม่แต่ลอยเลือดมานั่งมาดูเราทำขนาดนี้ไม่ได้บรรลุทําเลยไม่มีใครทํำมากเท่ากับเราหน่อยทางเดินจงกรมจนมีแต่ลอยเลือดหมดความสามารถเท่านี้ไม่เห็นใครมีทางเดินมีลอยเลือดเหมือนกับเราเลย เราในมันไม่มีบุญวานะ่าสนาตรงเจอไม่ได้บรรลุทมอะไรคงจะต้องศึกไปทำบุญทำทานเราเราไม่ทรัพมากโสนโกริวิตะไม่ทรัพเป็นโกดเงินทองเรามีเราไม่ได้บุญกุศลได้มรรคผลนิพพานเพราะทำความเพียงแบบนี้ ไปลาศึกไปทำบุญทำทานเอาเงินทองไม่อดไม่อยากจนถึงเอาล่ะโสนะโกริวิตะเอไปลาพระเจ้าพอาลาศึกพระเจ้ากรถามโสนะเธ อ, อเป็นโดนตีใช่ไหมโสนะก็ตอบว่าใช่พระเจ้าข้าสมัยเป็นหนุ่มรลนโดนตี เจอเล่นอะไรจีตา้าพินสีซอเมื่อหล่ะเธอประสงค์เจ้าเสียงมันเหมาะมันพอเตอสายพินสายกีต้าของเธอมันตึงเกินไปจะได้เสียงเพาะไหมไม่พอเพราะเจ้าค่ะถ้าหย่อนเกินไปเพราะไหมไม่พอเพราะเจ้าค่ะเอายังไงจึงจะเพาะดีเอาพอดีพอดี มันมีนู้ดรอดีรอชอนรอชอนรอดูชนชน ช, น, ชนมีมันตเคเล่ น, นดนตรีมืองกันนาะมันจึงพอดีมันก็เช่งกันนสนะเธอมันตึงเกินไปให้พอดีไปทำห้พอดีบางทีเราตึงเกินไปก็ม่วงได้ คิดพ้่งช้านได้บังคับเท่าไรยิ่งไปกันใหญ่หย่อนหยอนถ้าเพ่งเกินไปก็ง่วงเครียดได้มองไปไกลๆเอาเออกไปด้วยเอาเข้ามาด้วยถ้าเป็นความจิตอย่าคิดอยู่ในนี่ดูอยู่ที่นี่อยู่หย่อนยอนทำสบายสบายไม่รู้ก็ไม่เป็นไรรู้ก็ไม่เป็นไรล้วจิตก็ไม่เป็นไร หลงบ้างไม่เป็นลายรูปบ้างก็ไม่เป็นลายปายไหนใจมันเย็นมันสบายไอสนุกล้วทําะไรลงไปเอาจริงไอจังบางคนน่าปูดปวดทําความเพียนเท่นที่จะยิ้มเย้มแจ่มใสเห็นมันทุกข์นมันน่าจะยิ้มหงวเราะความทุกข์เหมันงงน่าจะยิ้มหัวเราะความง ง, งทำใจ ด้วฉันท้งประเติวิเลยียงอลัพติกิตตมกันฮติมีความเพียรความเพียรไม่ใช่ความไม่ทําไม่หยุดไม่หย่อนความเพียรคือทําแบบพอดีพอดีเรีวยกว่าศิลปะก็ได้ทมในใจเนี่ยเริ่มันง่วงก็อนองใบไกๆมองท้องฟ้า ทิศเหนือทิศใต้มองยอดไม้ทำท่าคิดไปก่อนออกไปเชก่อนอย่าเข้ามาในความรู้สึกตัวเกินไปมองไปก่อนสติไปอยู่ต้นไม้น่อสติไปอยู่ต้องพ่าทิศเหนื อ, อทีทางไหนทิศตะวันออกทางใดทิศตะวันตกอยู่ทางไหนคิดไปลำดับดูก่อน น้ำนักไปแล้วเวลานี้เป็นเวลาเท่าไรในเวลากลางวันกลางวันไม่ใช่เวลานอนกลางวันเป็นเวลาทำงานกลางคืนเป็นเวลานอนงความกลรู้จึกไปก่อนแล้วค่อยๆกลับมาทาเล่นๆบางทีมันใหญ่มันชู้มันตย่ยตรงไม่ได้จะมาสร้างจังหวะสู้กับกวาง่วงไม่ได้ ต่มาเดินชู้กับกูโมงไม่ได้โดยตรงเอาแบบอ้อมๆไปก่อนเหมือนนลงตาเห็นกระแตชู้กับงูกระแตมันตัวเล็กงูมันตัวใหญ่กระแตมันช่วยหนูงูมันขึ้นไปคาบหนูยกลังลงมาบนกรกติกตกลงมา ตั้งหนูก็ร้องจู้จูจูจูก็แต่อยู่ในโพง ต, ตง้นตบเต่ากล่างกระตีร้องตานั่นน่ะนี่ก็เห็นได้ยินเสียงหนูร้อมออกมาจากโพงมันก็โดดเข้าก็ะถา ง, งูงูคาบหนูหางมันอยู่โน่นงูมันตัวย่อยแต่แต่ก็โดดคาบหางงูแจ๊กแ๊แจ๊แกแจ๊แ ก, แ ก, แ ก, แก๊งูก็คาบหนู มันสู้กับแต่ไม่ได้มือแต่คาบหนูอยู่มันก็เลยวางหนูไปสู้กับแต่กับแต่ก็ไม่สู้วว่งอ้อมอยู่นั่นในเวลาใดงงจะเลื่อยตามหนูไปกับแต่ก็กัดถางไว้จฉกแฉกแกก็ขึ้นมาสู้กับแต่แล้วตัวหนูที่มันวิ่งเข้าไปกอไัยมันมีก่อไัยอยู่นั่น ถ้างูมันจะตามหนูไป ก, กระแตกกระถังไว้เอาไปมางูเลยขดตัวเลยงูตัวใหญ่ขดตัวเลยขดตัวกระแตก็เว่งรอบอยู่ยอมกระแต่เลยเนื่อเหมือนสู้ซึ่งหน้ามไม่สู้แล้วมันรับหลังมันเอาการสู้กับพิเลเลตอย่าไปสู้ซึ่งหน้าสร้างจังหวะสู้กับงูม้วนนะมันจะเข็ดหลาบนะ จะมีปัญหาเอยู่เล่นไปมองไปก่อนทําไปก่อนรูปไปก่อนทํำไปก่อนหมั่นคิดอะไรต่างๆา ก, ก็อย่าไปสูกคมคิดนําเล่นๆไปก่อนเลื่อนไว้ไปก่อนพยายามปรับตัวอยู่เรื่อยตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยชีวิตใหม่ต้องตั้งต้นใหม่ นั่งอุ้มไงเวลานั่งไป น, นานมันจะค่มลงค่มลงมันค่มล ง, มลงยืดตัวขึ้นวางหน้าอกวางต้นคอวางไหล่หน้าไปหน้าเราก็มีที่วางนะถ้าวางไม่เป็นก็ไม่งามนะวางใจด้วยตอสบายนี่เรียกว่าอุบายปัญญาศรัทธา วิริยะสติสมาธิปัญญาปัญญาสมาธิสติวิริยะศรัทธาหมุนอยู่เนี่ยเป็นจักรัพมันหมุนนะไม่ใช่เป็นแถวไปเหมือนไตท น, นาให้ตามหลังกั น, นมันเป็นวงกลมร้จักแห่งธรรมอันหนึ่งสนับสนุนอันหนึ่งอันหนึ่งสนับสนุนอัน ไปพร้มกันหมดต้องมีสวมหลงไหมความไม่หลงไหมศรัทธาไหมสมาธิไหมปัญญาเห็นหลงที่ใดมันมันดีมันไม่หลงเป็นหลงมันเปลี่ยนแปเปลี่ยนหลงเป็นรูปแฝงเปลี่ยนแปเปลี่ยนแปหรือกว่าจักทำหนุนไปข้างหน้าก็เอาไปสู่ความเจริญอันนี้เรีว่า มันไม่ใช่เลยมันมีปัญญาอย่างมีสติไปรับความชั่วมีสติก็ทําความดีมีสติจิตบริสุทธิ์มันก็ถูกต้องอแล้วนี่เระเรารู้สึกตัวพระเจ้าอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วไม่อยู่ที่ไหนพระเจ้ามันอยู่ทุกคนทุกแห่งเราหลงพระเจ้าเคยหลงถ้าเราง่วงพระเจ้าเคยง่วงถ้าเราทุกข์พระเจ้าเคยทุกข์ ถ้าเราโกรธผู้เจ้าเคยโกรธไปทางเดียวกันไปเจอผู้เขาลูกแรกคือนิวรณธรรมเหมือนกันผู้เขาลูกแรกขวงกันจิตให้บรรลุขนามความดีคือขวางมว่วงเหงาหานอน่อนเอนอมคิดฟงซ้านรวมนองเลสงสยัยวางคดบาท คา ม, มาหละค้าเกิดขึ้นเหมือนกันคนมีลูกมีเมียก็ย่อมคิดถึงลูกถึงเมียเกิดขึ้นเหมือนกันก็ลูกเอาลูปเอาไปนะ่ะไปทางเช่นเดียวกันไปคนเดียวไปสู่ที่เดียวถึงที่เดียวกันแล้วก็พ่นเบกนี้แหละอันหลงคิงเป็นลูกมันโกรธจึงเป็นลูกอามีหละคาจึงเป็นลูกมันทุกข์จึงเป็นลูก อะไรที่มันเป็นมันหามันจึงเป็นยาเกิดขึ้นไปไง